บุ๊ก <Book> 2ูยี่สิบเก้าที่ร้านอาหารหนึ่งโต๊ะนี้ว่างไหมคะ ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะโปรซิมซี่เยดัลนีลิสต็อกคุณมีอะไรแนะนำไหมคะช่วยมีม r ล c ลจที่ดิฉันขอเบียค่ะราราดาบิสี่ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ Prosím si minerálnu vodu. Díšanko nám som, kha. Prosím si pomarančovú šťavu. Díšanko káfé, kha. Prosím si kávu. Díšanko káfé saj nom, kha. Prosím si kávu s mliekom. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะสุครมโปรซิมดิฉันขอชาค่ะดัลดาลาบิสม์ซิชัยดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะดัลดัลาบิสมซิชัยสิตรอนมดิฉันขอชาใส่นมค่ะดัล ดลับิสมซิชเชสเมียกอมคุณมีบุหรี่ไหมคะมาเชสซิการ์ตีคุณมีที่เขียบุหรี่ไหมคะมาเชสปูปล์นิคุณมีไฟไหมคะมาเชสโอเฮนดิฉันขาดซ่อมค่ะฮีบะ มีดิดิฉันขาดมีดค่ะ h b a minwash ดิฉันขาดช้อนค่ะ Heba milijitska